วันนี้เป็นวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการที่จะไปที่จะรับนิมนต์ไปวัดหลวงปู่ทองพูนอำเภอบึงการอาดีตเจ้าอาวาสอาดีตเจ้าคณะจังหวัดน้องคาย เบืองการอย่างนี้ท่านอายุแปดสบสาปีอายุมากแล้วท่านก็ทําบุญอายุหลวงพ่อเกลี่ยที่ว่าหลวงพ่อจะไปแต่พอเอาเข้าจริงทั้งสุขภาพด้วยทั้งความพร้อมอะไรหลายหลาอย่างก็เลยได้ให้พระโทรศัพท์ไปบอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปในงานของท่านแต่ก็ส่ง จิตสงใจไปกราบขารพคารวะมูทิตาสักการะพอท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในถิ่นอีสานเหนือของพวกเราแต่พอตกตอนเย็นหลวงพ่อก็ได้ไปการาบคารวะหลวงปู่บุญมีปริปุญโนวัดปานาคูนอันเนื่องมาจากเกี่ยวกับการประชุมมูนิเท หลวงตาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็ยังตกค้างอยู่เพราะองค์ท่านไม่ได้เข้าไปชมเพราะท่านเป็นประธานในเมื่อมีการประชุมตกลงบางอย่างนะเราก็จะต้องเขาไปเสนอกาบเรียนท่านแต่ท่านก็รู้สึกว่าเข้มแข็งนะไปเห็นเมื่อวานะโอถ้าวเสีงยงไหนไม่ถูกเนี่ย ท่านจะไม่เอาด้วยเด็ดขาดเลยรู้สึกว่าเด็ดขาดใช้ได้ลูกพี่ของเราเนี่ใช้ได้พูดอย่างนั้นขนาดอายุแปดสิบกว่าเนี่ยเสียงไหนที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมหัวเด็ดตีนขาดเลยเ <c oughs> นี่ยพอหลวงพ่อกลับมาเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักเกือบสองทุ่มมาถึงวัดนะเรามาเห็น ทางเข้าประตูวัดของเราก็เห็นทางถนนหนทางเปียกเออมีฝนตกว่าวัดเราแต่บรนบินทวารตอนเช้าเนี่ย็รู้สึกว่ามีฟ้าฝนออกําลังมีฝนมาโปรยปลายก็ดีเพราะช่วงนี้อากาศรู้สึกว่าร้อนแล้วกร็รู้สึกแห้งแห้งพอสมควรออถ้าลงได้ช่วงนี้ก็จะดีฝน วันนี้หลวงพ่อจะเล่าความเป็นมาของวัดป่านาคําน้อยของให้พวกคณะสัตยาติโยมได้ฟังพอต่อไปลุกเมื่อลงพ่อพ่ออายุแก่มากกว่านี้หลวงพ่อก็คงจะจําไม่ได้แต่ในนี้ก็คนเฒ่าคนแก่ที่มาริเริ่มสร้างวัดล่อลอลงไปเรื่อยๆ อ, อย่างวันนี้เมื่อวานนี้ก็มรณละลงไปคนหนึ่ง แล้วก็วันที่ยี่สิบหกที่จะถึงเนี่ยอก็จะมีการประชุมเพลิงที่วัดของเราอายุก็แปดสิบกว่าปีอนี่แหละเดี๋ยวกว่าคนนั้นลงไปเดี๋ยวกว่าคนนี้ลงไปแล้วก็เนี่ยผู้ที่มาอยู่ในวัดของเราเนี่ยก็มีอยู่เพรานั่นเวลาหลวงพ่อพูดเนี่ยมีสกิลพยานที่หลวงพ่อมายังไงไมาอยู่ยังไง มาสร้างวัดป่านาคำน้อยนะแต่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา14ปีคณะทา ญ, ญาิโยมลูกหลานพอปีที่เจนะ็ดองหลวงตามหาบัวหลวงพ่ออยู่ตลอดเลยนะอยู่ตลอดกับองหลวงตาแล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดท่านด้วยดูแลอุปถัมภะถากขึ้นไปกุฏิของท่านปัดกวาดทำความสะอาดตอนเช้ารับบาต เพราะหลวงพ่อเคยเป็นเนนมาก่อนในการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นหลวงพ่อเนี่ยคล่องเพราะเรียนมาจากหลวงปู่ล่าแล้วเพราะนั้นเข้ามาอยู่กับองค์หลวงตาหลวงพ่อก็ทําตนเหมือนเป็นเนนเรียกว่าเป็นพระที่อุปถากองค์หลวงตาแต่พอถึงปีที่เจ็หลวงตาก็บอกนะอยู่กับหลวงตาหลวงตาบอกว่าเอ้ยทมิน เราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านเราออกไปทุดงนะเพราะนั้นท่านท่านจะออกไปทุดงไปภาวนาก็ได้ไปพักผลภาวนานะเราก็ได้รับเท่านั้นเราก็อืมใช่เราน่าจะออกไปพอท่านอนุญาตแล้วเนยะพอจากนั้นท่านก็บอกอีกเออก่อนที่จะออกไปนะ่ะ มีองค์ไหนสวดปฏิโมกข์นะเราต้องบอกกันไว้นะเรียนกันไว้นะมีไหมต้องสอนกันไว้เราก็ครับผมเพราะเราสวดปฏิโมกตลอดมาเลยไม่มีใครเปลี่ยนในช่วงนั้นเพราะพระปฏิโมกไม่มีเราก็สวดมาโดยลำดับลําดับไม่มีระหว่างไม่มีองค์ไหนเปลี่ยนเอจากนั้นเราก็ อยู่พอต่อมาเราก็ฝึกหัดพระอีกองหนึ่งที่เป็นรุนน้องแต่ยังไม่เคยขึ้นสวดปฏิโมกนะไม่เคยขึ้นสวดแต่ก็เราจับมาฝึกซ้อมกรมอบให้หลวงปู่ปุณมีที่เป็นลูกพี่ของเราท่านยังอยู่ที่นั่นท่านก็องนั้นท่านหลวงปู่ปุณมีท่านก็เป็นผู้ฝึกซ้อมพระปฏิโมกให้องค์หนึ่งเป็นพระหนุ่มมา ท่านกบดมาหลายพรรษาแล้วอยู่ที่นั่นพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เห็นว่าหลวงปูป่บุญมีว่าไ ด, ไ ด, ได้ได้ใช่ได้ใช่ได้แต่หลวงปู่บุญมีท่านก็สวดปฏิมโมกได้เหมือนกันนะท่านก็สวดปฏิมโมกได้ท่านก็ซ้อมไปด้วยเหมือนกันคือไม่ไว้ใจองค์ที่องค์งที่ท่านซ้อมนะ่ะอที่ท่านสอบซ้อมนะตัวองค์ท่านก็ซ้อมอีกเหมือนกันเพื่อไม่ให้ขาดตกนะ ผลที่สุดก็หลวงพ่อก็ออกมาในช่วงนั้นประมาณเดือนธันวาเดือนธันวาในหลวงพ่อออกเที่ยวทุดงครั้งแรกนะแต่พอพระปฏิโมกองนั้นขึ้นหลวงพ่อทราบข่าวว่าขึ้นไปสวดได้ไม่เท่าไหร่หลวงตาไล่ลงจากธรร ม, มาฒน์ไม่ใช่ธรรมดานะปฏิโมกวัดป่าบ้านตาหนะลวงตาไล่ลงจากธรร ม, มาฒหลวงปูบุญมีได้ขึ้นไปแทนฮ หลวงปู่รุ่นีีได้ขึ้นไปสวดแทนนะสมัยนั้นนะจากนั้นหลวงพ่อออกมาเที่ยวปีนั้นเป็นปี2516ถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิดนะเดินขึ้นมาก็มาพักที่วัดหลวงปู่เพียนก่อนจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นมาพักอยู่ที่หลังเขาผูพานมาผูยาอู่แถบนี่แหละบ้านานานหลวงแล้วก็ วันราชหัวธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่าไปบินทบาทมีแต่ข้าวพอได้ฉันแต่หลายหลายวันเข้านะ่ะก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์กควาเนะี่ยพอวันไหนก็มีแต่ข้าวเหนียวทั้งนั้นพออย่างนั้นก็เด็ก่อนขึ้นไปถึงหลังเขาก็ต้มน้ําไว้ก่อนต้มน้ําอุ่นๆแล้วก็เลยนั่งลงมา ก, กันนะ่ะฉันข้าวเหนียวกับน้ําอุ่นะ ถ้าได้เกลือได้พริกสักหน่อยก็จะดีแต่นั้นมันไม่มีเลยอไปบินทบาทจะไปขอได้ยังไงเพราะไปบินทบาทใช่ไหมเขาใส่อะไรให้ขอรับมา น, นั้นนี่มีแต่ข้าวเหนียวเด็กเราก็จันทร์แต่ข้าวเหนียวกับน้ํากุ่นนานพอส่งผวนจากนั้นก็นลงมาลงมามาบินทบาทจะเดินทบานผ่านหน้าบ้านเขาแล้วก็จะออกไปเลย แ, ลแต่พายบาดไปแล้วเนีย่ยวันนั้นน่เด็กน้อย คนหนึ่งที่ประมาณทักห้าหกขวบนะห้าหกเจ็ดขวบเนีเราบิน ท, าาทน่าปาดแม่เขาก็เลยเอาแกงหน่อไม้ส้มถ้วยหนึ่งเล็กๆ เ, เ, เดินตามหลังไปจา่มันเราก็ไปนั่งฉันนั่นแ่ละหลวงพ่อจําไม่ลืมโอ้โหน้ำหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มถ้วยนั้นนะ่ะน้ำใสใสอีกต่างหากมันมีเกลือมันมีรสเปรี้ยว อร่อยมากจริงๆจําไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้เนี่อจากนั้นก็เดินลงมาทางทางบ้านสว่างเนี่ก็มาพักอยู่ที่บ้านสว่างออกจากสว่างก็มานายุงมานายุงเขาคนนิมนต์ท่านจะไปไหนเยขาไปข้างในพอจากนั้นก็เดินเข้ามาผ่านบ้านนายูงเนี่ยบ้านสามเหลี่ยมนะบ้าน สามเหลี่ยมชุมพลเนี่ยเขากำลังเห็นไทยคัวจังหวัดเลยสามสี่คนกำลังเอาของของมาไอ้เขาบอกเครื่องทัพสัมภาระาพวกถุงข้าวสารมั่งพวกหม้อต้มหม้อแกงของเขาเนะ่เอามาสมกันไว้ยังไม่มีครอบครัวเขาก็ยังถางป่าอยู่เขาเพิ่งมาอยู่ในวันสองวันเนี่ยลงพ่อเดินผ่านมา ปีสองพันห้ารสิบหกแล้วหลงพ่อจำไม่ผิดนะบ้านชุมพลเกิดนะชุมพลสามเหลี่ยมใกล้ๆเราเนี่ยจากนั้นอนะ่ะบ้านนาคางนะังยังไม่มีอย่นะางนั้นหลวงพ่อก็เดินมาเขาจะไปทางไหนไปสมประสงไหมเราเราจะไปนาคําำนาคําเราก็เดินไปทางไหนนาคําไปทางนี้เอรแต่ทางสมัยนะั้นนเป็นทางคนเท่านั้นเอง เป็นทางเล็กๆแต่ว่าเขาชี้ให้มาแล้วก็มาตามทางเขาไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีคนหรือเปล่านะขนาดนั้นแหละหลวงพ่อเดินมาคราวนั้นนะ่ะเป็นทางที่กันดานมากมีต้นไม้ทั้งสองฝากฝั่งเนะี่ยเต็มไปหมดเลยมีพวกนกแก้วนกเป้ า, าสกสาริกาเนะี่ยตะว่นนกแก้วนกเป้ า, านกนี่แหละ นกกระโดกนกอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเสียงร้องสนามรันไบตามทางมาแลา้วก็มาเนี่ยมันลงล้างเท้าตรงที่เนะี่ยตรงที่พวกกูบาไปทําสวนปีที่แล้วเนะี่ยมันมีมันติดทางในะตรงนั้นนะ่ะลงไปล้างมือล้างเท้าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมากันเข้ามาผ่านหน้าวัดของเราเนะี่ยไปที่วัดไปที่บ้านานาคําน้อยแล้วก็ถามเขาว่ามีวัดไหมครับมีครับ เรเลยขึ้นไปพักวัดบ้านนะพอไปพักวัดบ้านหาน้ํำไม่ได้ก็เลยโดนพอไก่คำนันเดินลงมามาอาบน้ําที่ลําลําลางนะเอ่าห้วยลางเนะี่ยฝากถนนทางนี้นะแล้วก็ปีนขึ้นไปพักที่วัดบ้านเขาไม่มีคนเลยนะในช่วงนั้นนะเงียบเก็บอ่าเงียบเก็บเพออราะเหตุไเราก็ไม่รู้ว่าเออ มันมีอะไรแต่พองในเช้าไปบินทบบาทเขาก็ใส่บาดกับเปียกง่อยเงียบเงียบพอผลที่สุดเขามาใส่บาดมิแต่เนี่ยนะพ่อของอาจารย์เฉลิมเนะี่ยเป็นพ่อบ้านกับเนี่ยแล้วก็พ่อแต่ว่าพ่อตู้ผู้ใหญ่บ้านเนะี่ยอที่แม่ตู้ที่มาด้วยเนะี่ยไม่ได้มาเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านคงจะเก็บตัวเงียบนะ่ะเอจากนั้นเขาก็มาใส่มาจังหารเสร็จแล้วก็ เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากจากนั้นเราก็เออจะไปที่ไหนไปนาคาใหญ่พราะนาคาใหญ่แล้วก็พอฉันจะหันเสร็จแล้ว ก, ก็เดินผ่านไปผ่านโรงเรียนไปโรงเรียนคือยังไม่เป็นหลังอย่างทุกวันนี้หรอกพอไปไปเห็นถังน้ำสี่เหลี่ยม เ, เขาขึงประมาณล้วก็เห็นไฟกลุ่น ๆ, ๆเขาจุดเผาไอ้แคมป์ตัวตัวชะดอ แวเผาแคมตอดชะดอเราก็ถามเอ๊ะทำไมทางน้ำดีๆสามสี่ใบเนี่ยทำไมเขาอมิดฟันทำไมพ่อโมกบอกว่าคอมมอเนสคอมมอเนสคอมมอเนสเอาปืนยิงเหมือนกันอะคอมมอนเนสอะไรวะมันมีคอมมอเนสอยู่เหรอพูดนอะมันเซ่อขนาะดนั้นไล้หลวงพ่อมาสมัย น, ะนั้นเนี่ยมีคอมมอนเนสอยู่เหรอแถวเนีว่วะเขาก็เลยไม่พูดเงียบนะ ตรงนั้นเป็นไรกนะารว่าเนี่ย น, นะที่พักของแคมป์ตจอชดอแปลว่าถางน้ำเขาปืนยิงหลวงพ่อก็ได้เดินผ่านไปพอผ่านไปแล้วต่นี้โอ้มันนึกย้อนหลังทั้งเพราะมันเรื่องผ่านไปหมาดๆพวกสมัยนั่นรัฐทิมันมันต่อต้านกันนะมันก็เลยทำให้คนชาวบ้านเขาจูดในความเงียบกลัวนะพูดง่ายๆ จากนั้นหลวงพ่อก็ผ่านไปก็ไปบ้านนาคําใหญ่ก็เลยเขาก็เลยจัดฐาที่พักให้ก็เลยไปพักอยู่ที่นาคำใหญ่มีหมูเพื่อนเข้ามาสององค์เนี่ยเออมีมีมีหมูละเทนวเองก็เลยมีหมูพ่พระสององค์ไปอยู่ด้วยกันตีนเขาภูก้อน่ะก็เรียกถ้วยห้วยทับครัวสมัยนั้นออจากนั้นก็หลวงพ่อก็ขึ้นอยู่ที่นั่นโอ้นานพอสงครวรเนี่ยลนะ่ะไปเจอหนาวอยู่ที่นั่นนะเดือนธันวาเนี่ยหนาวมาก กลางคืนเหมือนน้าค้างเหมือนกระห่าฝน่ะเออผ้าอะไรเปียกปอนไปหมดเลยเ อ, อยู่ที่นั่นนานพอสมควรนั่นแหละสมัยนั้นยัง อ, อยู่ในป่าเงียบๆกลางวัน <c oughs> พวกทหารอยู่หน่วย บ, บ, บ้านน้ำบ้านน้ําสงอําเภอ น, น้นะําโสมเอยเขามดป่าเข้ามาเลยเอามาถามเขาก็มาดูว่ามันเป็นพระพระแท้หรือพระปลอมนะ่ะ เพราะมันบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นนะ่ะเขามุดป่าเข้ามามาเห็นเขามาถามมาจากไหนเราก็มาโอ้มาจากวัดป่าบ้านตาดอุดอรมาอะไรมาอยู่ที่นี่เออมาหาภาวนาชาวบ้านก็มาทําที่พักให้ก็เลยมาอยู่ที่นี่จากนั้นก็มาพูดคุยหน่อยหนึ่งเขาก็กลับไปทหารเขาก็สงสัยเหมือนกันเขาพอเราก็ไม่มีอะไรมันดูๆแล้วก็ไม่มีอะไร เราเป็นพระมาทุรงมหาภาวนาธรรมดาเราก็กลับไปจากนั้นเราอยู่ที่นาคําใหญ่นานพอสมควรจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านบางแคแล้วก็ขึ้นบ้านเพิ่มอยู่บ้านเพิ่มบ้างแล้วก็ลงไปนู่นทางฝั่งโค้งเนี่ยนะปีนั้นไปฝั่งลาวไปถึงฝั่งลาวด้วยนะตัวนิโอ รู้สึกว่านั้นพอสมควรในยุคสมัยนั้นนะจากนั้นก็ปีนั้นปีปีสิบหกต่อสนะิบเจ็ดกลับเข้าไปวัดป่าบ้านตาดนะพอไปปัดวัดป่าบ้านตาดเสร็จแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยเนะพราะแถวนี้รู้สึกว่าสู้กันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชนะสีแดง ปืนใหญ่ถล่มกันแถบๆนี่จนถึงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามฮหลวงพ่อไปเที่ยวทิพวิเวกทั้งอื่นบางทีก็ไปทางจังหวัดเลยบางทีไปทางสกลนครงี้ขึ้นหลังเขาที่พ่อแม่กูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทางไหนเป็นป่าโรงพงไพ่เราก็ไปตามที่ท่านได้บอกได้กล่าวแลว้วก็ฟังจากหมู่พกเพื่อน จากนั้นเราก็ไปเที่ยวทุรงอย่างนั้นก็ปีสองพันรยี่สิบสามเนี่ยบ้านเมืองแถบนี้สงบสงบฟั ง, ฟงๆนู้นเข้าไปได้เพราะว่าเข้าเข้าไปได้หลวงพ่อก็เลยมามาพักมาอันดับแรกคนนีนะ้มาพักอยู่ที่น้ำตกยุงทองถ้าขุนป้องไปขึ้นขึ้นขึ้นไปอยู่ถ้านะ นีว่าถ้าคุนป้องที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพอไปอยู่ได้สองสามสี่วันแล้วก็เอ๊ะบริเวณนี้มันเหมือนกับเป็นวัดเก่านะในถ้าเนะี่ย嘛หลวงพ่อก็เลยเดินดูเดินดูตามลำพังนว่าอยู่ในถ้ำเดินเดินเดินไปอยู่ในถ้รมันเป็นหินกระโหลกกลุกกับก็มีพระพุทธโลก เนี่ยพอพุทธรลูกเก่าแก่เนี่ยเป็นแต่ไม่ใช่นั่นหรอกเป็นพระพุทธรลูกไม้บางทีก็ปวกกินกัดกินไปแล้วยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็มียังเหลืออยู่แต่หน้าข้างข้างหนึ่งก็มีปวกกินและก็มีบาดบาทคอบาทโอบาทใหญ่มากขนาดวงแขนของเราเนะ่ยใหญ่กว่าของเราเกือบเท่าหนึ่งนะบาทโบราณ น, นะ เห็นโหทำไมคนบาด ท, ทำไมอนเขาใช้บาดใหญ่แล้วเกิ น, นเนาะแต่เห็นตะขอบมันแต่คนขเขามันสนิมกินหมดแล้วแล้วก็เห็นพระเนี่ยแหละพระพระไม้น่ะอยู่ในถ้ำเราเอ๊ะแถวเนี่ยมันเป็นวัดเก่าเนี่ยนะ เ, เราสังเกตถ้าไม่มีวัดถ้าไม่เป็นวัดไม่เป็นถ้ำมันจะมีพระพุทธรูปได้ยังไงมันต้องเป็นวัดเก่าเนี่นาะ นี่แนหะน้ำตกยุงทองนะหลวงพ่อเดินตะเวนเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมาเอากลับมาแล้วก็คงจะวิตกกังวลมั้งคงจะคิดตุบตุบตมตอยู่มั้งคงจะกลัวผีได้ทีเพราะว่ามันเป็นวัดเก่าใช่ไหมล่ะกลัวจะกลัวผีนะี่ยแต่ได้ก็มาเดินจงกลม เ, เดินจงกลมแล้วก็นั่งภาวนานั่งภานงวนาเสร็จแล้วสวดสวดมนต์ก่อนนอน สวดยาวเลยตนะอนนอ้พอสวดเสร็จแล้วไปสวดวิปัสสิตนะมันคิดนึกคิดขึ้นมาเอ๊ะวิปัสสิตนะเนี่ยเขาสวดขึ้นมาเพื่อจะไล่ไล่พูดผีนะลุกพูดผีปีศาจนะสวดวิปัสสิตนะพวกยักษ์พวกอมนุษยนะ์่อแล้วก็จากนั้นเราพอยิดขึ้นมาแล้วก็สวดต่ออีกอสวดมนต์พอสวดมนต์ก็นั่งภาวนาต่ออีก ดึกแล so ER like ้วแตเหนื่อยแล้วออพักผ่อนพักผ่อนกาลังนอนนอนกำลังเคิ้มเคลิ้มะไรวะเเออเคลิ้มเคิ้มพอนอนเค้มเคิ้มันจะว่าอะไรเหมือนกับผีอะไรเงี้ยแต่เออถึงมนุษย์เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออตัวดํามืมแลยมั้งบักใหญ่อะไรเงั้ยแต่เออมือของมันเท่าเท่ากับลูกกล้วยนยลูกกล้วยเงาอะไรเงี้ยมาขยําที่หน้าอกเลยอะไรเงี้ อม่ขยำที่หน้าอกเอเราสะดุ้งตื่นขึ้นอย่างแรงเลยว่างั้นะเถอกระตุ้งขึ้นอย่างแรงกับพร้อมกับพุทโธแล้วะงั้นเถอะพร้อมกับพุทธโธเพราะเราภาวนาพุทธโธใช่ไหมสะดุ้งขึ้นอย่างแรงือพอลุกขึ้นมานั่งขึ้นมาได้เลยนะเมันหัวใจมันไม่ใช่ธรรมดานะ มันไม่ใช่ตุบๆๆธรรมดามันมันลัวเลยรัดเลยหัวหัวใจมันเต้นเร็วถึงขนาดนั้นแหละหัวใจรัวเลยไม่ใช่ตึบๆๆธรรมดานะยมันรัวดังรถเลยว่าเงินะเออที่นี่ก็นั่งจุกปกเลยเลยเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนฝันเหมือนฝันแต่มันเหมือนคนตัวดําคือเมื่อมันปักใจมันมีเห็นถึงนิ้วมือของมันมาขยําที่หน้าอกเลยว่าไงนะ สองสองมือด้วยเอพอตื่นขึ้นมายังมีหน้ายังมีหน้าถามตัวเองอยู่ได้ถามว่าไอ้กลัวไหมพญ่วาอีกว่างอนกันเถอถามตัวเองว่างอนกนไอะกลัวไหมไอ้หนึ่งมันก็ตอบขึ้นว่าก็กลัวได้สิวันว่านนะมึงกลัวอะไรเพไรนั้ถามเลยนี่เพราะอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะมึงกลัวอะไรกลัวผีเหนือกันอ๋อถ้ามันไม่มีผีถ <frick? S 1> ้าถ้าผ the ีมันมามันมาทําอะไร มันก็มาฆ่านีะเอ้าถ้าผีไม่ฆ่าล่ะมันตายไหมเออถามไปเลยทีนีถ้าผีไม่ฆ่าตายไหมตายถ้าเสือไม่ฆ่าล่ะเจ้าเสือไม่กินะก็ตายถ้าคนไม่ฆ่าล่ะก็ตายถึงยังไงยังไงมันก็ตายอยู่แล้วมึงกลัวทําไมวะไปทีนี้ทีนี้เออมึงกลัวทําไมวะเออถึงยังไงก็มันก็จะตายอยู่แล้วให้ตายต่อหน้าที่ตายต่อ คุณงามความดีต่อตาให้ตายตกพุทโธเนเออตายต่อหน้าที่ตัวเองจะไม่ดีกว่าเลยกลัวทําไมคลอยคลายขึ้นมาโอ้ดูเสียกว่าจิตใจเข้มแข็งมากเลยว่างั้นเถอเอถ้ามีอะไรต่อหน้าถ้าว่าเสือกระโดดมาสามารถที่จะเอากําปั้นไปยัดเข้าปากเสือได้หรือไงว่า ง, างั้นเถ อ, อะิอนี่อันนี้คือคือความความกล้าใ น, นจุดนั้นพอจากนั้นก็นัน่งภาวนาต่ออีก พอนั่งภาวนาต่ออีกก็แผ่เมตตานนเนี่ยเพราะแผ่เมตตาเข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขอภูมิมะลุขะเทวดาอยู่ในถิ่นนี้จงเป็นสุขข้าพเจ้ามาณสถานที่นี้ไม่ได้หวังทรัพย์ในดินสินในาน้ํามเ ไ, ไดวมามู่หวังเออเอาทรัพย์ในดินสินในาน้ําอะไรทั้งหมดถึงจะมีเงินคําทรัพย์สมบัติ พระพุทธลูปอะไรก็ตามข้าพระเจ้าไม่เอาเอข้าพระเจ้ามาหวังปฏิบัติธรรมเท่านั้นขอเทพพรเจ้าเราเทวาทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเราแผ่เมตตาจากนั้นเราก็มันเหนื่อยนั่งเหนื่อยแล้วก็นอนรับอีกไม่มีอะไรนะอจากนั้นก็อยู่ต่อมาด้วยความร่อมเย็นผาสุขเนี่ยขนาดปีนั้นะอจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็ลงมาเดินลงมามาเดินทางมากัน มานาคําน้อยเนี่ยเพราะเราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยแต่ในพวกตูกขาเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่นะพวกตู้ขาตุเวียงเอพวกตุเม็กตุผู้ใหญ่บ้านเก่าเนี่ยนี่แม่ตู้เน่ยแม่ตู้ผู้ใหญ่บ้านเก่าเน่ยนั่งอยู่นี่นะเอเขาจะไปพักจะไปพักที่ไหนกูบ้าเราก็ยังเป็นพระน้อยพันหุ่มอยู่สิบกว่าพรรษาที่ไหนก็ได้ท่านน่ะปะเอาไปพักที่นน่น มันเป็นวัดเก่าก็เลยไปพักฝั่งลางทางทิศ ต, ตะวันตกเสียงใต้ของบ้านนาคําน้อยของเราเนี่ยนะมีต้นไทรอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเขาว่ามีพระพุทธรูปเดี๋ยวนี้คือคือเป็นนาของตูเวียงนั่น้วมันเป็นจอมปวกอยู่ที่นั่นเขาว่าพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปถายนาขึ้นมาเห็นพระพุทธรูปได้หลายองค์เนี่ยถามพ่อบีเนี่ยก็ได้นะพ่อบีกับตูเวียงก็เป็นพี่เขยของตูบีเนี่ยนะ นี่นแหละทั้งนั้หลวงพ่อกับไปพักภาวนาอยู่คนเดียวองค์เดียวอ ย, นนนะอยู่ในโคนต้นต้นไทซน่ะอต้นไซใหญ่อยู่ในร่มไทเขาว่าเนี่ยต้นไซต้นนั้นน่ะมีผีนะเขาว่ากันนะโดยมากโดยมากเขาเห็นเขาเห็นผีอยู่จะไหนเขาจะเอาพระเนี่ยเขาไปเขาไปอยู่ว่างันอแต่พระจะได้แผ่เมตตาให้ผีให้ผีไม่ให้ผีดุว่างั้นนะหลวงพ่อหลวงพ่อวันนี้แหลอ พวกนพรานมาเห็นอีเห็นเนี่ยพออีเห็นเนี่ยมาใกล้ๆแล้วปืนยิงเธอยก็ไม่ถูกนลยยิงเธอเรยก็ไม่ถูกผลน้สัยก็โอ้ผีเหมือนกันเพนหนีเหมือนกันอยู่ในี่ยต้นต้นต้นไซตัว น, น, นี้แหละท่านท่านแต่หลวงพ่อก็อยู่ที่นั่นพออยู่ที่นั่นก็นานพอสมควรแล้วก็ถามเออพวกสุ้ยเจ้าอยากจะได้วัดไหมวะพอมาปีนั้นเน่ะ ปีมาปีแรกปีสองพนห่น่ป่าดงพงไัยยังสมบูรณ์มากาสมบูรณ์อย่างที่ได้เห็นทีแรกน่ยพวกนกเป้านกสาลิกานกกระโดกนกอะไรตัมีอะไรเสียงร้องทนันวันไหวนกกกนกแกงยังมีอยู่ยังพอได้เห็นอยู่แต่พอมาปีสองสามเนี่ยโอ้โหค อ, อมมนิสต์ไม่มีพวกคนทางใต้ ทาง101าร้อยเอ็ดมหาสารคามทางยะโสธรเนะี่ยขึ้นมาเดนโอ้โหถางป่าทนเะลล้มป่าละเนรนาดเลยเพราะทางรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ไดเ้เพราะว่าจะเสียมวลชนใช่ไหมละ่ะแถวบ้านเขาก็เลยบุกป่าขนาดหนักเลยไปว่าโอ้โห เ, เรามาเห็นแนละ้วป่าคงหมดแน่ๆถ้าไม่รักษาไว้เนี่ยหลวงพ่อคิดไกลถึงขนาดนั้นนะ แต่เราได้ถามตูข้ขาวอ่ะที่ไหนพอจะเป็นวัดตูข้ขานี่แหละหลังภูหลังภูเนี่ยที่เลยนาตู้เวียงไปไปนะมันเป็นภูเขาลูกย่อมย่อมขึ้นไปตะเวนหลวงพ่อขึ้นไปตะเวนดูนะมีก็มีพวกป่าไม้ตะเคียนพวกอะไรก็มีเป็นป่าดงอยู่ก็ดีอยู่นะเห็นเป็นป่าแต่ดูดูแล้วคงจะขาดน้ำว่าเราอยู่ภูจกอเนี่ย เราเบื่อจริงๆเนี่ยที่น้ําอยู่ไกลเนี่ยพอน้ําหามน้ําขึ้นเขาเนี่ยเรามาสร้างวัดตรงนี้อีกมันจะเข้าอีหลอดผู้จ ก, ก้อเลยมา้าไม่เอาแล้ววะเดินลงมาอีกอเนี่ยในสูขเขาก็เลยเดินมาพามาทางนี้น่ะมามาดูวัดตรงนี้น่ะเขาก็เดินมุดป่ามาเลยทต่เนี้ยมุดป่ามาเนี่ยขึ้นบ่งตรงที่หลังศาลาเนี่ยหลังศาลาเล็กๆหนึตรงนี้นะจะทไมขึ้นนะ อพอมุดขึ้นมาตรงนี้พอขึ้นมาแล้วก็เออเห็นน้ําว่ะเออน้ําห้วยลางน้ําเขียวปีเลยเ ด, เดินมามําน้ำมันึ่งขาน่นนะน้ําเขียวสะอาดใสอีกต่างหากเพราะตะกอนมันยังไม่มีบัวควา ย, ยออจากนั้นก็ขึ้นมาก็เห็นป่าไม้ตะแบกไม้อะไรที่ซาลาหลังหลังเก่านั่นนะเออต็มไปหมดเลยถี่มากเลยไม้ตะแบกตรงนี้ เออฉะนั้นเออตรงนี้เข่าทาวะไก่น้ําอีกต่างหากเอาตรงนี้ละ่ะกันเอ่อฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยมาเขาก็เลยมาจัดตรงที่นั่นแนหะเออตรงที่กุดกุดของมีชีพ้อมเลยทางในนะึกทางในเนี่ยที่มีต้นสะท้อนนะเลยเลยไปสักหน่อยติดฝั่งลางติดฝั่งห้วยนะ่ะเนี่ยแหละหลวงพ่อพักอยู่ตรงนั้นแหละมาครั้งแรกนะเอ่อแล้วก็ เอาใบไม้กวาดแล้วก็เป็นปูแล้วเอเสื่อทับแล้วก็ปักกดใช้เชือกกลางกดนอนกับดินเลยนี่แหละลูกหลานที่มาอยู่ที่หลังมาเห็นกุฏิหลังแรกบอกกุฏิไม่สะดวกเลยนี่แหละหลวงพ่อนอนกับดินนะมาอยู่ที่แรกนะมาอยู่ที่น่นอนเป็นอาทิตย์กว่านะ อ, าอยู่เป็นอาทิตย์กว่า เออชาวบ้านก็ยังเงียบอยู่ทําไมเขาเงียบพราะเขาจะซื้อที่ดินตรงแปลงเน่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะกับพ่อคำศรีประมาณเกือบสามสิบเกือบสามสิบไร่นะ่ะคือสามสิบห้าไร่นะี่ยแหละเขาจะซื้อพ่อคำศรีก็อยากจะได้สมัยนั้นได้เจ็ดพันมะระาว่างหลวงพ่อจะไม่ผิดนะเจ็ดพันบาทชาวบ้านก็รวบรวมได้เงินมาเขาก็เลยซื้อที่ดิน กว่าจะซื้อที่ดินได้ก็เกือบสองอาทิตย์น่ะตีหลวงพ่อนอนเนี่ยนะหลวงพ่อเขาไม่รู้ว่าเขาจะซื้อที่ดินใช่ไหมเออถ้าเขาถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเขาจะซื้อที่เนี่ยหลวงพ่อแพงนนี้แล้วว่างั้นจ่ะเออนี่ชาวบ้านเขาไม่พูดให้ฟังก็าจะพูดคุยกันจากนั้นเขาก็เลยซื้อที่ดินเออซื้อที่ดินสามสิบผัวไร่เจ็ดพันบาทสมัยนั้นก็แพงพอสมควร พอเสร็จแล้วเขาก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเนี่ยซื้อละซื้อเรียบร้อยละให้ท่านอาจารย์ให้หลองคูบาอยู่ได้เนี่ยแหละหลวงพ่อก็เลยเออเอาก็เลยมาสร้างศาลาตรงนี้แหละตรงศาลาโฮศาลาประชาคมเนี่ยลทำเป็นหลังเล็กๆขึ้นมาเนี่อแล้วก็หลวงพ่อไปอยู่นั่นแหะกุฏิที่กุฏิ ป, ปีสองเก้านี่ย นี่แหละกุฏิที่หลวงพ่ออยู่ที่แรกแั้วนนะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละปีสองเก้าจากนั้นก็มีพระเข้ามาอยู่ด้วยอาจารย์คำพันธ์เป็นพระคู่ขี้กันพรนสากับหลวงพ่ออยู่ด้วยกันสององค์ท่านก็มาอยู่ด้วยเนะนี่ยนี่แหละที่มาอยู่ครั้งแรกนะ่ะต่อมาก็มีท่านจดที่ท่านนิพนธ์มาอยู่ด้วยฮนะเข้ามานี่แหละความเป็นมาของวัดป่านาคําน้อยนะหลวง พ่อบวกบอกให้ลูกให้หลานได้ฟังนะหออลวงพ่อเนี่ยทาเล็กไปหาใหญ่นะ เ, ออเข้าทำนองที่ว่าคนไทยทำใหญ่ไปหาเล็กออถ้าเป็นเจ๊กเนี่ยทำเล็กไปหาใหญ่หลวงพ่อคงจะเป็นเจ๊กมั้งทำเล็กไปหาใหญ่ออตั้งแต่มาตั้งแต่ทีแรกไม่มีอะไรเลยใหญ่ถึงขนาดนี้แลลูกหลานเลยนอนกับพื้นดินนะออนี่แหละความอุตสาหะวิริยะ ความตั้งใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะนั้นขอให้ลูกหลานพระเนนทุกองนะให้มีความอดทนเป็นพื้นฐานให้เป็นพระที่ดีคิดดีทาดีพูดดีอยู่ที่ไหนดีทั้งหมดนะถ้าคิดชั่วทำชั่วเอารัดเอาเปรียบคู่คนทั้งหลายและจะอยู่กับใครมิแต่เอาเปรียบเขานะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแวงกันเกิดศึกสงครามขึ้นมาได้ไง่ายกศึกขีมานะ จึกทะเลาะกันนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวครูบาทั้งหลายจะหิวข้าวนะเอาคอนิคโอเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้ <c oughs>